บทที่แปมายาศาสตร์ทางไทยมายาศาสตร์ทางไทยเรามีอยู่ไม่น้อยถ้าจะเขียนเรื่องมายาศาสตร์ทางไทยเราอย่างละเอียดก็จะต้องเป็นหนังสือเล่มหนึ่งต่างหากเท่าที่กัปปเจ้าได้สังเกตเห็นมายาศาสตร์ทางไทยเราแบ่งออกเป็นสามภาคคือภาคกลางซึ่งถือแบบฉบับที่นับถือกันมาตั้งแต่สมัยสีอยุทยามีอยู่ในที่ต่างๆ เช่นในตำราพิชัยสงครามซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในปีพุทธศักราช234 0คือเป็นเวลาถึง480ปีมาแล้วก็เต็มไปด้วยมายาศาสตร์มายาศาสตร์ในภาคกลางนี้ดูเหมือนจะสืบเนื่องมาจากลัทธิพราหมณ์แท้เพราะอ้างถึงพระอิศวนพระนารายอยู่เสมอภาคที่สองคือภาคเหนือซึ่งเข้าใจว่าเราถ่ายทอดความรู้มาจากพมา่ามาก พระมายาศาสตร์ทางภาคเหนือนี้มีความคล้ายคลึงกับทิเบตและเราทราบกันดีว่าพม่าเป็นสิทธิ์ของทิเบตโดยตรงในทางนี้ภาคที่สามคือภาคอีสานและภาคตะวันออกซึ่งมีมายาศาสตร์แยกออกไปเป็นวิธีหนึ่งต่างหากและดูเหมือนจะมีความบริสุทธิ์มากกว่ามายาศาสตร์ของภาคกลางและภาคเหนือเพราะมายาศาสตร์ของภาคกลางนั้นชอบอ้างพระเจ้าของพราหมณมมายาศาสตร์ของภาคเหนือชอบอ้างพูดผีปีศาจตามแบบทิเบต ส่วนมายาศาสตร์ของภาคอีสานนั้นชอบอ้างกําลังในตัวเองซึ่งใกล้มาในทางจิตวิทยามากที่สุดและเข้าหลักมหัศจรรย์ทางจิตมากที่สุดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ที่จะกล่าวถึงมายาศาสตร์ทางไทยโดยพิสดารและก็ไม่สามารถจะทําได้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งจวนจะหมดเนื้อที่อยู่แล้วฉะนั้นข้อความในบทที่8ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงหลักการเรื่องมายาศาสตร์ทางไทยไว้พอสมควร เพื่อเทียบเคียงกับวิชาการในทางอื่นเป็นความรู้ทั่วๆไปถ้าปรากฏว่ามีท่านผู้อ่านสนใจในเรื่องมายาศาสตร์ของเราเองเป็นจํานวนมากพอ mm. ก็อาจจะเขียนเป็นเรื่องเล่าใหม่อีกเล่มหนึ่งได้ mm. เพราะมีทางไทยเรามีเรื่องมายาศาสตร์พอที่จะเขียนได้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งทีเดียวความย่อยๆเกี่ยวกับมายาศาสตร์ทางไทยเรามีดังต่อไปนี้วรรณคดีชิ้นสําคัญที่สุดของไทยเรา คือบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเต็มไปด้วยมายาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าความเชื่อถือทางมายาศาสตร์ของไทยเรานั้นมีอยู่ไม่น้อยนักอ่านสมัยใหม่ที่อ่านวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนมักจะคิดไปว่าเรื่องที่เกี่ยวกับพูดผีหรือฤทธิเดชต่างๆของขุนแผนหรือพระวัยนั้นเป็นเรื่องเลวไหลทั้งสิน้นเคราะดีนักหนาที่กรอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นกวีนิพนธ์ดีที่สุดในบรรดาวนณคดีไทยอนุภาพของกวีนิพนธ์ยังรักษาเรื่องขุนช้างขุนแผนไว้ได้ถ้าไม่ได้อาศัยความงามของบทกลอนแล้วเรื่องขุนช้างขุนแผนอาจจะสาบสูญไปเสียแล้วเพราะเป็นมายาศาสตร์มากเกินไปข้าพเจ้าเองก็ไม่เชื่อว่าเรื่องพูดผีหรือฤทธิเดชในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนของเรานั้นจะเป็นความจริงไปทั้งหมด แต่ถ้าเราศึกษาค้นคว้าเรื่องมายาศาสตร์กันพอสมควรอย่างที่เราค้นคว้ากันในหนังสือเล่ม น, นี้และลองกลับไปอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนดูก็จะได้เห็นด้วยความประหลาดใจว่าบทเสกขุนช้างขุนแผนนั้นได้แต่งถูกต้องตามหลักวิชาของมายาศาสตร์เป็นอันมากอย่างไรก็ดีมายาศาสตร์ที่ปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นดูเหมือนจะเป็นมายาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งเราถ่ายทอดความรู้จักพมา่าเพราะมีหลักการคล้ายคลึงใกล้เคียงกับทิเบตอยู่หลายประการเรื่องสำคัญทางมายาศาสตร์ในเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นคือเรื่องกุมารทองซึ่งยังได้รับความนับถือและทำกันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เรื่องราวในวันนคดีขุนช้างขุนแผนเล่าว่าขุนแผนไปได้บวกลี่ลูกสาวเหมืนหานเป็นภริยาเมื่อบวคลี่ตั้งคันได้หลายเดือนแล้ว มื่นหารเกิดคิดอยากฆ่าขุนแผนจึงเรียกลูกสาวมาเรียกล่อมว่าให้ฆ่าขุนแผนเสียด้วยยาพิษเมื่อขุนแผนตายแล้วบัวคลี่ก็จะหาสามีได้ใหม่เพราะยังสาวสวยและพ่อแม่ก็ยังมั่งมีมากคลอดลูกเสียแล้วก็ยังมีคนต้องการอีกถมไปบัวคลี่เชื่อฟังคำพ่อในเรื่องนี้พ่อเตรียมยาพิษให้บัวคลี่ก็เอายาพิษไปใส่ในอาหารซึ่งจัดให้ขุนแผนรับประทาน โ่งพลายที่ขุนแผนเลี้ยงไว้มากระซิบบอกขุนแผนว่าในอาหารนั้นมียาพิษขุนแผนลองเอาอาหารโยนให้กากินกานั้นก็ดิ้นลงมาตายขุนแผนก็ทราบชัดว่าภริยาใจร้ายถึงกับจะฆ่าตนจึงตกลงใจฆ่าภริยาเพื่อเอาลูกไปทำกุมารทองคำกรอนตอนนี้ซึ่งเป็นกรอนที่ไพเราะและบอกวิธีอย่างละเอียดมีข้อความซึ่งเราควรอ่านจากคากรอนนั้นเองดังต่อไปนี้ ครั้นเวลาดึกสงัดกำดัดหลับคนระงับนอนเงียบไม่เกลียบไหวก็เป่าคาถาสะกดประกับใจแล้วลุกไปลนลานเตรียมการพลันเอาเครื่องอ่านสารพัดยัดลงย่ามกับเทียนสามเล่มใส่ขมีขมันกลักเหล็กไฟสายสินทั้งเลขยันก็พร้อมสับฉับพลันด้วยทันทีหยิบมีดคร่ำด้ามกันละปัญหา ตรงมาถึงตัวเจ้าบัวคลี่แวกม่านตลบมุ้งขึ้นทันทีอัดกลับริปรีเห็นรำไรยืนขึ้นบนเตียงเข้าเคียงข้างพินิษนางนิ่งนอนถอนใจใหญ่ไม่รู้เลยว่าร่างมันร้างใจจะฆ่าผัวเสียได้ช่างไม่คิดแล้วชักมีดตั้งท่าง่าขยับใจกลับมืออ่อนสะท้อนจิตแล้วกลับนึกถึงนางวางยาพิษเอาชีวิตเสียเถิดอย่าไว้มัน เอามีดคร่ำตำอกเข้าต่ำอักเลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสันนางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวันเลือดก็ดันดาดแดงดังแทงควายแล้วพ่าแพร่แล่แรงตลอดอกแหวะชว ะ, ะรกให้ขาดสายพินิษแน่แลเห็นว่าเป็นชายก็สมหมายดีใจไม่รังรออุ้มเอาทารกยกจากท้อง กุมารทองมาเถิดไปกับพ่อหยิบเอาย่ามใหญ่ใส่สวมคอเอาผ้าห่อลูกชายสะพายไปเปิดประตูจู่ออกมานอกบ้านรีบเดินผ่านป่าตัดเข้าวัดใต้ปิดประตูวิหารลั่นดานในริ่มกรอนซ้อนใส่ไว้ตรึงตราวางย่ามเปิดกลักแล้วชักชุดตีเหล็กไฟจุดเทียนแดงร่าเอาไม้ชัยพฤกษพระยายา ปักเป็นขาพาดกันกูมานวางยันนรายแผลงฤทธ์ปิดศีรษะยันมราชะปะพื้นล่างยันนรายฉีกอกปกปิดกลางลงยันนางพระธรณีที่พื้นดินเอาไม้รักปักเสาขึ้นสีทิศยันปิดปักธงวงสายศิล์งเพดานยันสังวานอมรินก็พร้อมสิ้นในตำราถูกท่าทางเอาไม้มริดกันเกลีเถากันัย ก่อชุดจุดไฟใส่พื้นล่างตั้งจิตสนิทดีไว้ที่ทางภาวนานั่งย่างกุมารทองร้อนทั้งตัวทั่วกันน้ำมันชากลับหน้ากลับหลังไปทั้งสองเกราะแกรง่งแห้งได้ดังใจปองพอรุ่งแจ้งแสงทองขึ้นทันใดนี่คือกุมารทองในเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเรื่องต่อไปก็เล่าว่าขุนแผนได้ใช้กุมารทองเป็นประโยชน์มากถึงเวลามีภัยอันตรายก็ล่วงรู้ก่อน ถ้าจะต้องหนีก็พาพ่อหนีถ้าจะต้องสู้ก็ต้องช่วยเหลือในการต่อสู้เป็นเพื่อนที่มีประโยชน์และใช้ได้ตามความต้องการเรื่องกุมารทองยังนับถือกันอยู่จนบัดนี้ข้าพเจ้าได้พบในตำราของอาจารย์บางท่านซึ่งทำกุมารทองได้แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีโหดร้ายอย่างขุนแผนทำคาถาที่ใช้ในการสร้างกุมารทองเท่าที่ข้าพเจ้าได้เคยพบในตำราก็เป็นคาถาที่ดีมากไม่มีอักขระวิบัติหรือผิดไวยากรณ์มากนัก เป็นเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเพราะในตำราของอาจารย์ที่อนุ ญ, ญาตให้ข้าพเจ้าค้นคว้าหาความรู้เรื่องนี้นั้นคาถาต่างๆที่ใช้ในมายาการมักจะผิดตัวอักษรและผิดไวยากรณ์จนทำให้หมดความเลื่อมใสแต่ในเรื่องกุมารทองนี้ได้พบคาถาที่นับถือว่าเป็นชั้นดีจึงใคร่จะนำมาไว้เพื่อความรู้และเป็นทางพินิจพิเคราะห์ของท่านที่สนใจในมายาศาสตร์ของไทยพอสมควร วิธีการที่บอกไว้ในตำรานั้นก็คือต้องเอาทารกในท้องของสตรีตายทั้งกลมหมายความว่าสตรีที่ถึงแก่ความตายในขณะที่ลูกยังอยู่ในคันและตามวิธีของไทยเรานั้นสตรีที่ตายทั้งกลมอย่างนี้ไม่เผากันทันทีต้องเอาไปฝังก่อนผู้สนใจในการทำกุมารทองต้องมีมีดหมอเรื่องมีดหมอนี้สร้างทำกันอย่างไรจะได้กล่าวต่อภายหลังเมื่อมีมีดหมอเตรียมไว้พร้อมแล้ว ก็คอยสืบสอบฟังข่าวว่าสตรีมีคันเจ็บป่วยอยู่ที่ไหนถ้ารู้เข้าก็ไปคอยแอบเฝ้าฟังอาการป่วยถ้าสตรีผู้นั้นถึงแก่กรรมขณะที่ลูกยังอยู่ในท้องซึ่งเรียกว่าตายทั้งกรมก็ติดตามดูว่าเขานำไปฝังที่ไหนในเวลากลางคืนของวันที่ฝังศพนั่นเองต้องลอบเข้าไปในป่าช้าที่ฝังศพนั้นตำราบังคับให้เข้าไปแต่ผู้เดียวห้ามมีเพื่อนไปด้วยอย่างเด็ดขาดขุดคุ้ยดินขึ้นจนกระทั่งถึงศพ ถ้าศพนั้นใส่โลงอยู่ก็ต้องงัดโลงออกผ่าท้องศพจนกระทั่งถึงตัวเด็กแล้วก็บริกรรมด้วยคาถาดังต่อไปนี้สิทธิเตโชสิทธิจิตตังมหาภูโตมาสันทนังซึ่งแปลว่าด้วยเดชะอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ขอให้มหาพูดวงเล็บเปิดคือปีศาจยิ่งใหญ่วงเล็บปิดจงมาสนทนากับเราคาถานี้ผิดไวยากรณ์แต่ก็พอเอาความได้ดังที่แปลมาข้างต้น ใช้บริกรรมคาถานี้ให้นานพอจนมองเห็นภาพหรือวาดแว่ ว, ว่าเด็กในท้องนั้นลุกขึ้นพูดกับตัวตําราก็สอนให้พูดอย่างชนิดที่เรียกว่าพูดเองเออเองเป็นสํานวนโบราณของไทยเราซึ่งหมายถึงการจุงจิตนั่นเองให้เริ่มพูดว่าเรารักกุมาร น, นี้มากอยากจะได้ไปเป็นลูกจะเลี้ยงดูให้อยู่เป็นสุขจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันซื่อสัตว์ต่อกันเขาจะกินดีไปหรือไม่ เขาจะยินดีเป็นลูกหรือไม่แล้วก็ให้ตอบเองว่ายินดีไปด้วยยินดีเป็นลูกตามตอบกันพอสมควรแล้วก็ให้ตัดสายรกเอามาแต่ตัวกุมารเพื่อเอาไปทำพิธีย่างพิธีย่างนี้ต้องไปทำในที่อื่นจะทำที่ใกล้ๆศพแม่ไม่ได้เพราะถือว่าแม่อาจจะมาแย่งคืนไปที่ดีที่สุดสำหรับจะทำพิธีย่างนั้นควรเป็นโบสถ์หรือวิหารถ้าเข้าในโบสถ์หรือวิหารทีเดียวไม่ได้ ก็ให้อยู่ภายในบริเวณกำแพงโบสถ์วิหารหรือภายในบริเวณสีมาซึ่งเชื่อแน่ว่าพ่อแม่จะมาแย่งเอาไม่ได้ถ้าเป็นภายในโบสถ์หรือ ว, วิหารตามธรรมดาก็ย่อมมีที่ปักทูปอันใหญ่ใและใช้ที่ปักทูปอันใหญ่ใหนั้นเองเป็นเตาย่างซึ่งเป็นการเหมาะสมและสะดวกมากถ้าเป็นภายนอกก็ใช้ไฟก่อที่พื้นดินที่ที่ย่างนั้นให้ใช้ไม้รักปักเสาขึ้นทั้งสีทิศวงสายศิลมียันปิดเอาไม้ชยพฤก ตั้งเป็นขาย่างและคานสำหรับบางกุมารเพื่อย่างไฟให้ใช้ไม้มะริดกันเกลาวและเถาไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเถากันไผเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจุดย่างทุกอย่างเป็นทำนองที่กล่าวในเรื่องขุนช้างขุนแผนแสดงว่าตารากุมารทองนี้ได้สืบต่อเนื่องกันมาช้านานในเวลาย่างต้องมีคาถาบริกรรมความในคาถามีดังต่อไปนี้สุรโนปิยกุมาโรมหาภูโตมหิตธิโก สภะทิเสสุวัตติโกสภพาคาเมสุโคจโรสภพชนานังหัทเยมหาเตโชปวัตติโกรัตนยานุภาเวนะรัตนตยะเตชสาเทวานังอิทธิพาเลนะกุมารโรมหิติโยแปลความในคาถาว่ากุมารทองที่รักเราเป็นมหาพูดมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่สามารถจะท่องเที่ยวไปทุกทิศเข้าไปในบ้านได้ทุกบ้าน เข้าไปสู่หัวใจคนได้ทุกคนและเที่ยวไปอย่างมีเดชด้วยอนุภาพของพระรัตนตรยัยด้วยเดชของพระรัตนตรยัยและด้วยกำลังฤทธิ์ของเทพเจ้าทั้งหลายเจ้าจงเป็นกุมารที่มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ทางอักษรและทางไวยากรณ์คาถานี้ต้องนับเป็นคาถาที่ดีมากตำราให้ภาวนาเรื่อยไปในขณะที่ย่างย่างให้น้ำมันตกลงไปในไฟคอยหมุนเปลี่ยนเรื่อยไปเพื่อไม่ให้ไหมแต่เพื่อให้แห้ง เคลดสำคัญอยู่ที่ว่าต้องย่างให้แห้งก่อนรุ่งอรุณเมื่อเห็นว่าแห้งดีแล้วก็ให้ดับไฟและบริกรรมต่อไปด้วยคาถาดังต่อไปนี้คัดฉาหิมหาภูตโตสมนุษโศเสวะโกกะโรหิปิตุวะจเนนะสำปุลเนนะประสิทธิยาซึ่งแปลว่ามาเถิดเจ้ามหาพูด เจ้าเป็นผู้ที่เสมอด้วยมนุษย์เสมอด้วยเทวดาเจ้าต้องทำตามคำของพ่อให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์บริกรรมไปอย่างนี้จนรุ่งอรุณแล้วก็เป็นอันสำเร็จงานกุมานทองนั้นต้องเอามาเก็บไว้ที่บ้านของตัวถ้ามีความสามารถจะทำเป็นเรื่องที่อยู่เรน้อยให้อยู่ให้มีเครื่องเล่นและให้อาหารกินตามเวลาได้ก็เป็นการดีถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เป็นแต่ทำหิ่งที่เก็บไว้ ถึงเวลาที่ตัวเองจะรับประทานอาหารก็ให้นึกถึงและเรียกมารับประทานด้วยตัมราบอกว่าเรื่องที่อยู่และเครื่องเล่นนั้นควรจะจัดทำได้ดีแต่เรื่องอาหารนั้นการทำอาหารไปให้ไม่ใช่วิธีดีนักเพราะจะทำให้กุมารทองเกียจคร้านหรืออวดดีไม่เชื่อฟังในภายหลังให้ลงรักติดทองกุมารทองนั้นให้เป็นตัวทองทั้งตัวจึงเรียกว่ากุมารทองตามปกติไม่ต้องเอาไปไหนด้วยปล่อยไว้ในที่ อย่างถ้าเวลาจะไปไหนอาจสั่งให้อยู่เฝ้าบ้านหรือให้ตามไปด้วยแต่ในทางวิญญาณโดยไม่ต้องเอารูปกุมารทองนั้นไปถ้าเอาไปทางไหนด้วยโดยสั่งให้วิญญาณไปด้วยถึงเวลาที่ไม่ต้องการใช้ก็สั่งให้กลับมาเฝ้าบ้านตำรา บ, บอกว่าอาจใช้สืบข่าวเรื่องราวต่างๆแล้วมากระซิบบอกหรือมาบอกในความฝันหรือทาการต่อสู้ป้องกันผู้ที่จะมากระทาร้ายหรือใช้ให้ไปทาร้ายใครก็ย่อมทาได้ข้าพเจ้านาเรื่องกุมารทองนี้มากล่าว ไม่ใช่ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสว่าจะทําได้หรือใช้ได้อย่างนั้นจริงแต่นํามากล่าวเพื่อให้เห็นว่าเรื่องกุมารทองเป็นมายาศาสตร์อันหนึ่งและไทยเรารู้จักกันมาช้านานยังนับถือเลื่อมใสกันอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้อาจารย์ที่สําคัญสําคั ญ, คญทั้งทั้งที่ยังเป็นพระภิกษุก็ยังทําเรื่องกุมารทองนี้มากวรนคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนยังให้ความรู้แก่เราในเรื่องทํามีดหมอซึ่งในวรนคดีนั้น กล่าวเป็นเรื่องตีดาบชุบดาบแต่พลความและรายละเอียดของการที่ขุนแผนตีดาบชุบดาบนั้นก็เป็นเรื่องสร้างมีดหมอเรื่องของมีดหมอก็ดีเรื่องตีดาบอย่างที่ขุนแผนทำก็ดีคล้ายกันมากกับเรื่องมีดของทิเบตคือเมื่อตีและทําตามวิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วยังต้องนั่งเพ่งจนกระทั่งเห็นมีดหรือดาบนั้นเคลื่อนไหวได้โดยเอากระแสจิตเข้าใส่ในมีดหรือดาบและตามที่เราเห็นมาแล้วในเรื่องของทิเบต กระแสจิตซึ่งผสมกับกระแสไฟฟ้าอาจเข้าไปอยู่ในโลหะถึงกับทําให้โลหะนั้นเคลื่อนไหวหรือใช้กันอย่างหนึ่งอย่างใดตลอดถึงใช้ไปฆ่าคนได้เราลองอ่านวรรณคดีขุนช้างขุนแผนตอนที่ตีดาบ ฟ, าฟ้าฟื้นอีกสักตอนหนึ่งอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์เราจะได้ความรู้อย่างละเอียดละออดีมากข้อความดังนี้เอาผมพรายร้ายดุประจุพลัน แล้วเอาชันกรอกด้ามเสียบบัดดนครั้นเสร็จสับจับแกว่งแสงวาบวับเกิดโกลาฟ้าพยับพยอมหนเสียงอื้ออึงเออกกระเลิกได้เริกบนฟ้าคำรนฝนพยับอยู่ครั้นขืนฟ้าผ่าเปรี่ยงเปรี่ยงเสียงด่งดังขุนแผนฟังจิตฟู่ให้ชูชื่นได้นิมิตฟ้าเปรี่ยงดังเสียงปืนให้ชื่อว่าฟ้าฟื้นอันเกรียงไกร ยกขึ้นวางกลางสารอ่านพระเวทโดยเดชดาบดิ้นกระเดืองไว้เห็นประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์ริบที่ไกลดีใจได้สมอารมณ์ปองเอาไม้ระงับสับยามาทำฝักประสมผงลงรักให้ผิวพองกาบหุ้มตันปลายลายจำลองทำด้วยทองท่วนบาดชาติบางตะพานถ้าเราอ่านด้วยความพินิดพิเคราะห์จะเห็นได้ว่าพิธีการตีดาบฟ้าฟื้น ที่กล่าวในตอนเสภาข้างต้นนั้นเป็นเรื่องทำมีดหมอแท้แต่แต่งกรอนเสภาตอนนี้ได้เอาตำรามีดหมอมาเปิดแต่งเป็นเรื่องดาบดีแล้วก็เผลอไปคือแต่งว่าที่ตรงกลางกว้างงามสามนิ้วกึง่งยาวถึงสอกกัมมาหน้าลูกไก่นั่นเป็นขนาดมีดหมอแท้ดาบจะกว้างถึงสามนิ้วครึ่งไม่ได้เพราะจะหนักเกินไปและจะยาวเพียงศอกกัมาก็ไม่ได้เพราะสั้นเกินไป คำว่าศอกกรรมมาหมายถึงการวัดด้วยศอกที่กำรรซึ่งสั้นกว่าสอกธรรมดาเสียอีกขนาดสอกกรรมมาถ้าวัดด้วยเครื่องวัดเวลานี้ก็จะได้เพียงหนึ่งฟุตเท่านั้นเองซึ่งมีความยาวเพียงศอกกรรมมาและกว้างสามนิ้วครึ่งนั้นเป็นมีดหมอแท้เราจะต้องเข้าใจว่าเรื่องดาบฟ้าฟื้นในกรอนเสภาข้างต้นนั้นเป็นเรื่องของมีดหมอผู้แต่งเอาตำราทำ ม, มีดหมอเปิดแต่งให้เป็นเรื่องดาบไป เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์นั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในบทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้ทั้งบทแต่ในบทที่หนึ่งนั้นข้าพเจ้าให้ชื่อว่ามนคาถาหมายความถึงมนที่เป็นคาถาทางพระพุทธศาสนาเป็นคาถาที่ถูกต้องและถึงแม้ผู้ที่ไม่เลื่อมใสในไสยศาสตร์มายการโดยทั่วไปเช่นภิกษุก็ยังใช้อยู่จนกระทั่งบัดนี้มาถึงบทสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าใครจะกล่าวถึงเรื่องเวทมนต์บทที่หนึ่ง คือไม่เป็นภาษาที่ถูกต้องตามอักษรและไวยากรณ์อาจจะเป็นคถาที่ผูกขึ้นเองโดยผู้รู้บาลีเพียงเล็กน้อยแต่มีอนุภาพทางจิตแข็งกร้าวผูกขึ้นว่าอะไรก็ได้เพราะถ้าท่านใช้ไปว่าไปก็กลายเป็นคลังขึ้นมาเองวิธีนี้เป็นวิธีของมายาศาสตร์ซึ่งไม่ต้องเคารพต่อกฎของภาษาศาสตร์หรืออักษรศาสตร์แต่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ดวงจิตก่อให้เกิดขึ้นเอง อีกอย่างหนึ่งซึ่งจะนำมากล่าวในบทสุดท้ายนี้คือมนที่ไทยเราผูกขึ้นเองแต่เป็นของเก่าที่นับถือกันมาแต่โบราณเป็นภาษาไทยแท้บ้างภาษาปนบาลีบ้างที่เป็นภาษาไทยปนบาลีนั้นมักจะนำเอาบาลีมาจากคาถาที่มีอยู่จริงๆแล้วก็นำมาทำเป็นคำแปลซึ่งได้ผลถึงสองอย่างอย่างหนึ่งคือความรู้สึกคลังในเมื่อว่าคาบาลีและอีกอย่างหนึ่งคือความเข้าใจอันดีในเมื่อว่าคาบาลีไทย แต่เวทมนต์ชนิดนี้บางทีคำแปลห่างไกลจากคำบาลีที่ยกมาไว้นั้นเป็นอันมากคือบางทียกคำบาลีมาเพียงสองคำแล้วก็มีคำไทยยืดยาวออกไปมากแบบเดียวกับคำเทศของพระซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้มาแต่โบราณการเมื่อได้คน้นคว้าและตรวจพิจารณาดูมนต์ทั้งหลายที่เป็นของไทยเรานั้นข้าพเจ้าต้องยอมรับว่า อาจารย์ผู้ผูกเวทมนต์ของไทยเรานั้นมีความรู้หลักจิตวิทยาอย่างสูงและมนต์ที่ผูกขึ้นนั้นก็ต้องตามหลักจิตวิทยาแม้ในสมัยใหม่ที่สุดเพราะว่าหลักจิตวิทยาทั่วไปนั้นซอนให้นึกว่าตัวเรามีความสำคัญยิ่งใหญ่ ตัวเราเล็กขนาดเท่ามนุษย์ธรรมดาก็จริงแต่ก็มีกำลังอันยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเราสามารถจะช่วยให้เราทำอะไรได้สำเร็จตามความปรารถนาคำสอนอย่างนี้เป็นคำสอนให้เกิดความเชื่อในตัวเองที่เรียกว่า Self c o n f i d e n อครูอาจารย์ทางจิตวิทยาสมัยใหม่สอนให้เราสร้างมโนภาพมองเห็นภาพของตัวเราอีกภาพหนึ่ง ซึ่งใหญ่โตและแข็งแรงกว่าตัวจริงของเราหลายร้อยเท่าคอยส่งกำลังใหญ่หลวงให้แก่เราสำหรับเอาชัยชนะศัตรูและเหตุการณ์ทั้งหลายคำสอนอย่างนี้เป็นเรื่องปลูกสร้างกำลังใจซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาในหนังสือเล่มอื่นๆนักจิตวิทยาอธิบายว่าส่วนญี่ปุ่นสอนให้คนญี่ปุ่นมีความพยายามกล้าไม่กลัวภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเชื่อในกาลังของตนเองอย่างยิ่งใหญ่ กล้าริเริ่มและกล้าทำและชาติญี่ปุ่นก็ได้ประสบความสําเร็จใหญ่หลวงมาอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งและลักษณะอันนี้ยังอาจจะช่วยญี่ปุ่นต่อไปในภายหน้าผู้ที่เคยเห็นสวนแบบญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเนื้อที่สักเท่าไรก็ตามทีวิธีทําสวนญี่ปุ่นของเขานั้นคือจําลองของใหญ่มาย่อให้เล็กลงถ้าเขามีเนื้อที่สักสิบตารางวาเขาจะทําเป็นคลองเล็กๆ เ, เป็นภูเขาเล็กๆมีสะพานข้ามคลองซึ่งทําเหมือนของจริง แต่เป็นขนาดเล็กหาต้นไม้ชนิดที่ต้นเล็กแต่มีลักษณะกิ่งก้านสาขาเหมือนต้นไม้ใหญ่ทำเรือนเล็กๆตั้งอยู่บนไหล่เขารวมความว่าจำลองเอาของใหญ่มาทำให้เล็กลงอย่างที่เราเรียกว่าแบบตุ๊กตาเราเข้าใจว่าทำเป็นของเล่นเราอาจจะไม่แลเห็นผลประโยชน์มากนะักเพราะเป็นเรื่องเล่นตุ๊กตาเท่านั้นแต่ในทางจิตวิทยาอธิบายว่าสวนญี่ปุ่นนี้ให้ผลทางจิตใจแก่ชาวญี่ปุ่นเป็นอันมาก เพราะเมื่อเขาสามารถสร้างภูเขาแม่น้ำบ้านเรือนหรือแม้รูปทะเลที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยขึ้นในเนื้อที่เพียงสิบตารางวาเท่านั้นแล้วเขาก็แลเห็นตัวเองใหญ่โตมากเขาอาจจะก้าวขาข้ามแม่น้ำทั้งแม่น้ำข้ามภูเขาทั้งภูเขาเขาอาจจะไปยืนตรำงานอยู่มองดูภาพที่เท้าของเขาให้เกิดความรู้สึกเหมือนเขาเป็นยักษ์ใหญ่ร่างมเหือมาสามารถจะเหยียบเมืองทั้งเมืองเหยียบภูมิภาพทั้งแผ่น นี้เป็นเรื่องที่สวนญี่ปุ่นสร้างผลทางใจให้แก่คนญี่ปุ่นมีความมานะพยายามอันแรงกล้าความเชื่อมั่นในตัวเองความกล้าไม่กลัวภัยอย่างหนึ่งอย่างใดได้ถูกปลูกฝังขึ้นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและสวนญี่ปุ่นนี้ก็เป็นสิ่งก่อสร้างอันหนึ่งซึ่งถูกตามหลักจิตวิทยาอย่างยิ่งการทำให้เห็นความสำคัญของตัวการทำให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวการทำให้คิดว่า ตัวเป็นผู้มีอนุภาพยิ่งใหญ่เช่นนี้เป็นหลักสำคัญในเรื่องมนต์คาถาของไทยเพราะความเชื่อเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จมนต์ของไทยเกือบทุกอันล้วนแต่แสดงความสำคัญของตัวเท่ากับปลุกใจหรือจูงจิตสำคัญก่อกำลังใจในตัวขึ้นข้อความในเวทมนต์ของไทยทั้งหมดเป็นข้อความที่เข้มแข็งคำว่ากูเป็นคำที่ใช้ทั่วไปเพื่อความเข้มแข็งนั่นเองถ้อยคำที่คิดผูก ข, ขึ้น ล้วนแต่จูงจิตตัวเองให้เชื่อสมรรถภาพของตัวว่าจะทำอย่างนี้ได้นี่เป็นหัวใจของเวทมนตร์ไทยเราจะลองพิจารณาดูสักเรื่องสองเรื่องมนบทหนึ่งซึ่งได้มาจากตำราทางภาคอีสานมีข้อความดังนี้โอมสัจจากูจะฆ่าผีผีก็ตายมือซ้ายกูจับพญานาคปากคาบดวงตะวันตีนกูยันท้องสมุดมือขวากูจับครุฑตัวแข็งกล้า กูเอาน้ำในแม่พระคงคามาเป็นน้ำลายกูอมเจ้าพระพายเข้าไว้ในสวงกูจะเป่ายอดเขาหลวงให้ล้มราบกูจะปราบขุนเขาให้กลายเป็นแผ่นดินมนนี้เป็นมนเป่าฝีเท่านั้นเองคือหมายความว่ามีคนเป็นฝีมาขอให้เสกเป่าให้หายแต่เราจะเห็นได้ว่าผู้ผูกมนได้ผูกอย่างฉลาดมากเริ่มต้นด้วยการสร้างความรู้สึกอำนาจในตัวเองให้เห็นตัวเก่งถึงกับจะฆ่าผีได้ ให้เห็นร่างกายของตัวเองใหญ่มหึมาปากคาบดวงอาทิตย์เท้ายันท้องสมุทรมือซ้ายจับนาคมือขวาจับครุดเอาน้ำในแม่น้ำคงคามาเป็นน้ำลายอมวายุเทพคือพระพายเข้าไว้ในสวงอกมณ์อย่างนี้ให้ผลแบบเดียวกันกับสวนญี่ปุ่นคือทำให้เห็นตัวเองใหญ่หลวงและมีฤทธิ์มีอำนาจใหญ่จนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเปรียบถึงกับเอาเท้ายันท้องมาหาสมุทรและเอาปากคาบดวงอาทิตย์ได้ตรงกับคำสอนทางจิตวิทยา ว่าให้สร้างมโนภาพเห็นตัวเราเองใหญ่หลวงถ้าสร้างอย่างมนบทนี้ก็จะใหญ่แท้ความฉลาดอย่างสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าเอาฝีไปเปรียบเทียบกับภูเขาซึ่งที่จริงก็เปรียบเทียบกันได้เพราะฝีเป็นโรคที่ทาให้เนื้อหนังนูนขึ้นเหมือนภูเขาแต่ผู้ที่เสกเป่าเมื่ออมวายุเทพเข้าไว้ในอกก็สามารถจะเป่าภูเขาให้ล้มราบลงไปเป็นวิธีสร้างมโนภาพอย่างน่าชมเชยแม้แต่ภูเขาทั้งลูก ยังจะสามารถเป่าให้ล้มราบลงไปได้นับประษาอะไรกับฝีเล็กๆซึ่งขึ้นในร่างกายเท่านั้นน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเอาน้ำในแม่น้ำนั้นมาเป็นน้ำลายก็สามารถจะใช้น้ำลายนั้นเกลื่อนฝีให้หายได้และการเสกเป่าที่ทำด้วยมวนี้จะทำให้ฝีนั้นเหือดแห้งราบไปเหมือนปราบเขาขุนให้กลายเป็นแผ่นดินถ้าเราพิจารณากันในแง่นี้เราก็จะต้องยอมรับว่า เรื่องของเวทมนต์ของไทยไม่ใช่ของเหลวไหลผู้ผูกเวทมนต์เหล่านี้ซึ่งไม่ทราบว่าผูกกันมาตั้งแต่ครั้งไรอาจจะเป็นของเก่าแก่โบราณมากอาจจะไม่เคยเล่าเรียนศึกษาทางจิตวิทยาอย่างที่เราศึกษากันอยู่ทุกวันนี้แต่ก็มีความรู้ความคิดถูกต้องตามหลักวิชาทางจิตวิทยาแท้มนอีกบทหนึ่งซึ่งได้จากตำราทางภาคอีสานเป็นคําบาลีปนไทย เอาคาถาเดิมในพุทธมนต์มาใส่แล้วก็ประดิษฐ์รมคำแปลให้มีกำลังแรงมากมีข้อความดังต่อไปนี้ทิวาตปฏิอาทิตโจดวงตากูกล้าแข็งเหมือนแสงพระอาทิตย์สีหราชมโนโมโยดวงใจกูมีอิทธิฤทธิเหมือนหัวใจราชสีจันโทปันนรโสสโมตัวกูมีสง่าราศีเสมอจันเมื่อวันเพ็ มณิโชติรโสชาโตดวงตากูสูงเด่นเหมือนดวงแก้วบนยอดเขายุคนอรสเพชนาพหูชนาใครได้เห็นก็เอ็นอ่อนนอบน้อมรักใคร่ไหลหลงด้วยเดชพระฤาษีทั้งสี่พระองค์ประสาทพระมนมอบประสิทธิ์ให้แก่กูมนบทนี้ตำรา บ, บอกว่าใช้สำหรับสร้างอำนาจสร้างสเสน่ห์ และให้ดวงชะตาของตัวกล้าแข็งอยู่เสมอสามารถต่อสู้ภัยอันตรายหรือฆ่าศึกศัตรูได้คำที่มาจากคาถาบาลีแท้ก็มีอยู่ในคำต้นคือที่วาตปฏิอาทิโจซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในบทที่หนึ่งว่าถ้าเราไปรดน้ำมนจากอาจารย์น้ำมนและขอให้ประสิทธิ์ประสาทอำนาจให้ ท่านจะรดน้ำมนต์ด้วยการเริ่มคาถานี้ส่วนคําต่อๆมาในมนบทที่ยกมาข้างต้นนี้ก็หยิบมาจากที่โน่นที่นี่แล้วเอามาเติมบาลีเอาเองบ้างแต่รวมทั้งหมดก็มีลักษณะอย่างเดียวกับมนในตำราภาคอีสานที่ยกมาข้างต้นคือให้เห็นตัวเองมีความสําคัญยิ่งใหญ่มีดวงตาที่กล้าแข็งเหมือนดวงอาทิตย์มีหัวใจที่เข้มแข็งเหมือนหัวใจราชสีมีสง่าราศีเหมือนดวงจันทร์เมื่อวันเพ็ญมีดวงชะตาสูงเด่นเหมือนดวงแก้วบนยอดเขายุคคนธร เมื่อไปถึงบนยอดเขายุคคนทรก็เลี่ยงเข้าหาลัทธิเวทของพราหมณ์คืออ้างว่ามนนี้พระฤาษีทั้งสีพระองค์มอบประสิทธิให้พระฤาษีทั้งสีพระองค์นั้นมีเรื่องเล่าไว้ในตำราพิชัยสงครามของไทยว่าพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่าทัพพาราชครองครุงชนมานหัดสถีมีกำลังรีพลถึงกฎหนึ่งสมบูรณ์ด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์และทรัพสมบัตินาน า, นาประการแต่มีพระไทยชอบรุกราน แผ่อำนาจรบบ้านเมืองอ่อนกำลังกว่าพระมหากษัตริย์องค์นี้ได้ยกกองทัพใหญ่มาล้อมเมืองหราหัด ส, สถีซึ่งมีกษัตริย์ทรงพระนามว่านักขัตตราชูราชครองอยู่เมืองนี้เป็นเมืองเล็กและเห็นกันแน่ชัดว่าไม่สามารถจะต้านทานกำลังกองทัพของทัพภาราชได้แต่ในเมืองนั้นมีพระฤาษีสี่พระองค์ชื่อพระนาฏพระพรมสูตรพระนักขัต ด, ดาราและพระคัจฉหราเดช พระมาหากษัตริย์เมืองเล็กนี้จึงได้ไปหาพระฤาษีให้ทำพิธีป้องกันเมืองให้เลขยันลงทงประจำกองทัพเลขยันลงผ้าประเจียดประจำตัวทหารลงผ้าใส่ในหมวกของทหารและตะกรุดประจำตัวทหารแล้วด้วยกำลังอันน้อยกว่าหลายเท่าแต่ได้อาศัยเลขยันและเวทมนต์ของพระฤาษีทั้งสีน่นี้กองทัพของเมืองน้อยนี้ก็สามารถเอาชนะขับไล่กองทัพใหญ่ของทัพพลาราชให้แตกหนีไปได้ เรื่องพระฤาษีสีพระองค์นี้ปรากฏอยู่ในตำราพิชัยสงครามของไทยซึ่งเป็นของเก่ามีอายุหลายร้อยปีดังกล่าวมาข้างต้นแล้วคงจะได้รับความนับถือต่อกันมาเป็นอันมากเวทมนต์ที่ดีที่สุดดังได้อ้างมาข้างต้นจึงกล่าวว่าด้วยเดชพระฤาษีทั้งสีพระองค์ประสาทพระมนต์มอบประสิทธิ์ให้แก่กูเหลืออีกคำหนึ่งซึ่งบางทีนักเรียนสมัยใหม่จะยังไม่เข้าใจคือเรื่องมอบประสิทธิ์ เป็นวิธีหนึ่งซึ่งถือกันอยู่ในทางไทยเราคือเรื่องเวทมนต์นั้นถือเป็นสมบัติของอาจารย์ใครจะลักขโมยหรือเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ก็จะไม่มีผลต้องให้อาจารย์มอบให้วิธีมอบของอาจารย์นั้นคืออาจารย์สอนให้ว่าเมื่อว่าได้ถูกต้องคล่องแคล่วแล้วอาจารย์ก็พูดว่าประสิทธิ์แปลว่าให้ใช้มนต์นี้ได้เป็นผลสําเร็จจึงจะใช้มนต์นั้นให้เกิดผลได้วิธีการอย่างนี้เรียกว่ามอบประสิทธิ์ การมอบประสิ training, to to right people, like program, ์นั้นอาจจะมอบกันต so, ่อไปหลายคนหรือหลายชั่วคนเช่นผู้ที่ได้ประสิ์มาจากอาจารย์ผู้ผูกมนอาจจะถือกันว่ามีคนที่ได้รับมอบประสิ์ตรงมาจากฤาษีทั้งสีพระองค์แล้วก็มอบกันต่อมาอีกหลายชั่วคนหรือหลายสิบหลายร้อยชั่วคนฉะนั้นในการขอมนบทใดบทหนึ่งจากอาจารย์ต้องขอประสิ์ด้วยถ้าไม่ได้รับมอบประสิ์แล้วก็ถือว่าใช้ไม่เกิดผลการที่จะไปแอบคัดมาจากตำรา หรือท่องกันต่อๆมาโดยไม่ได้ประสิทธิ์ต่อจากอาจารย์นั้นถือว่าใช้ไม่ได้มนอีกบทหนึ่งซึ่งอยู่ในตำราพิชัยสงครามของทิเบตดังกล่าวข้างต้นคือเรียกพระเข้าตัวและเนื้อความของมนนี้ก็ดูเหมือนจะผูกขึ้นด้วยการเอาวิธีของทิเบตและของอินเดียมาผสมกันเพราะมีทั้งพระศรีอานและพระพรมพระนารายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของอินเดียในมนนี้เช่นว่าข้าจะไหว้ซึ่งพระคุณัง พระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังฆคุณังพระศรีอริยเมตไตรเจ้าขอเชิญมาปกเกล้าขอเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่หน้าผากขอเชิญพระอินทราธิราชเสด็จมาอยู่บ่าซ้ายขอเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่บ่าขวาขอเชิญพระคงคาเสด็จมาเป็นน้าลายขอเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวานขอเชิญพระการเสด็จมาอยู่ในหัวใจ เราจะเห็นได้ว่ามนบทนี้ใช้ในทางรุนแรงสมกับอยู่ในตำราพิชัยสงครามรุนแรงถึงกับเอาพระการเข้ามาเป็นหัวใจซึ่งจะใช้เข็นฆ่าปราบฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายอีกบทหนึ่งซึ่งอยู่ในตำราพิชัยสงครามเหมือนกันมีว่าดังนี้ขอพระสีสุทธั์เข้ามาเป็นดวงใจพระฤาษีตาไฟเข้ามาเป็นดวงตาพระเจ้าทั้งห้าเข้ามาเป็นปากกูจะออกปากแก่พระอิน พระอินทร์ก็จะมาช่วยกันพระจันทร์จะมาช่วยกูพระอาทิตย์จะมาอยู่ที่หูบทขึ้นต้นมนเหล่านี้แสดงให้เห็นความคิดอันถูกต้องในทางจิตวิทยาที่จะทําให้เกิดความรู้สึกในฤทธิ์อำนาจของตัวเองเป็นการจุงจิตตัวเองอย่างที่เรียกว่า อ, อัลโตสักเกชันเป็นวิธีถูกต้องที่สุดในทางจิตวิทยาเรื่องหัวใจต่างๆในหนังสือเรื่องกาลังความคิด ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องหัวใจซึ่งเป็นวิธีการของไทยใช้สำหรับสร้างสมาธิโดยวิธีภาวนาเป็นคาบรวมความอย่างย่อยๆก็คือว่าหัวใจนั้นหมายถึงการหยิบยกเอาคำคำต้นจากคำสำคัญสำคัญซึ่งเป็นหัวข้อธรรมเป็นคำสวดที่นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นชื่อหมวดหมู่ในพระไตรปิฎกเช่นทุนะนิมะซึ่งเป็นหัวใจอริยสัจ เอามาจากคำซึ่งเป็นชื่ออริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมักและวิธีสวดได้เป็นคาบนั้นคือว่ากลับกันให้ครบตัวเช่นทุสนิมะสนิมะทุนิมะทุสะมะทุสนิอย่างนี้เป็นคาบหนึ่งซึ่งเมื่อว่าถึงในทางฝึกฝนสมาธิแล้วก็ต้องนับเป็นวิธีที่ดียิ่งเพราะการที่จะสวดคาบให้ได้อย่างนั้นต้องทาใจให้แน่วแน่ และเพ่งอยู่ในคำทั้งสี่นั้นอย่างเที่ยงแท้จริงๆและด้วยเหตุนี้เรื่องราวทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณคดีเก่าๆของเราที่เล่าถึงผู้ทรงคุณวิชาทางมายาการว่าสามารถสวดหรือภาวนาได้ตั้งหนึ่ง้คาบใครที่ทำได้ถึงแค่นั้นต้องนับว่ามีสมาธิแรงกล้าซึ่งจะเป็นกุญแจของการใช้กระแสะจิตไม่ว่าทางจิตวิทยาสมัยใหม่ทางวิชาการของทิเบตหรือในทางใดๆรวมความว่าเรื่องหัวใจ เป็นเรื่องปลูกสมาธิทำกระแสจิตให้มีกำลังแรงแต่แทนที่จะเพ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางไทยเราสอนให้เพ่งคำซึ่งเป็นหัวใจของสิ่งสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเอาพุทธคุณเข้ามาช่วยความศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าเลื่อมใสและนับถือเรื่องหัวใจนี้มากถ้าไม่ใช่เลื่อมใสนับถือในทางความศักดิ์สิทธิ์ก็เลื่อมใสในทางใช้สร้างสมาธิซึ่งไม่เห็นมีวิธีอื่นใดจะดีกว่านี้ แต่ในทางมายาการนั้นไทยเราก็ถืออย่างเดียวกับที่เบตคือเมื่อสวดคาบหรือภาวนาคาบให้ดวงใจแน่แน่แท้จริงแล้วก็สามารถจะใช้ดวงจิตนั้นในทางอำนาจทางสเสน่ห์ทางป้องกันอันตรายทางเอาชนะศัตรูตลอดถึงทางโชคกลาาถ้าเราเชื่อในข้อนี้ด้วยเราก็สามารถจะใช้เรื่องหัวใจนี้โดยเกิดผลทางมายาการแต่ถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องนั้นเราก็สามารถจะใช้ให้เกิดผลในทางสร้างสมาธิจิต ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วไปเรื่องหัวใจนั้นมีอยู่มากมายแต่ดูเหมือนว่าหัวใจที่นับถือกันมากที่สุดในบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายทั่วไปและก็นับถือด้วยและก็น่านับถือด้วยคือหัวใจพระไตรปิฎกอย่างหนึ่งและหัวใจพุทธคุณอีกอย่างหนึ่งเราทราบกันว่าพระไตรปิฎกนั้นมีสามภาคคือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรม นักเวทมนต์ได้หยิบยกเอาชื่อหมวดของพระไตรปิฎกทั้งสามภาคนี้มาทําเป็นหัวใจขึ้นสามหัวใจคือหนึ่งหัวใจพระวินัยเอามาจากชื่อคำภีสมันตปาสาธิกาอัทธกถาวินัยเป็นห้าคำคืออาปามะจุปะอาย่อมาจากอาทิกรรมปาย่อมาจากปาจิตตีมะย่อมาจากมหาวจุย่อมาจากจุลวัฏปะย่อมาจาก บริวารการภาวนาคาบก็เป็นเช่นนี้อาปามะจุปะปามะจุปะอามาจุปะอาปาจุปะอาปามะปะอาปามะจุดังนี้เป็นคาบหนึ่งซึ่งก็ยากลําบากไม่ใช่น้อยแต่ต้องใช้สมาธิอย่างแรงกล้าจริงๆเป็นที่เชื่อได้เลยทีเดียวว่าถ้าใครทําอย่างนี้ได้ตั้งหนึ่งแปดคาบก็ต้องยอมรับว่ามีสมาธิ และมีกำลังดวงจิตอย่างแข็งกล้าเหลือเกินและไม่เป็นการประหลาดที่คนมีสมาธิและกำลังจิตแข็งกล้าขนาดนี้จะสร้างความมหัศจรรย์ทางจิตขึ้นมาได้สองหัวใจพระสูตรนั้นคือทีมะสังอังคุซึ่งเป็นหัวเรื่องในคำพีพระสูตรแห่งพระไตรปิฎกนั่นเองทีย่อมาจากทีคณิกายมะย่อมาจากมัชิมานิกายสังย่อมาจาก สังยุตตะนิกายอังย่อมาจากอังคุตตะนิกายขุย่อมาจากขุทธกะนิกาย 3. หัวใจพระอภิธรรมซึ่งนับถือกันมากที่สุดเพราะเป็นภาคสูงสุดในพระไตรปิฎกคืออักษรหัวเรื่องชื่อคำพีพระอภิธรรมหรือเรียกกันว่าพระธรรมเจดคำพีคือสังวิทาปุกะยะปะสังย่อมาจากสังคณีวิย่อมาจากวิพัง ธาย่อมาจากธาตุกาถาปุย่อมาจากปุขละบัญญัติกะย่อมาจากคถาวัตถุยะย่อมาจากยะมะกะปะย่อมาจากปัฏฐานเหล่านี้เป็นหัวใจพระไตรปิฎกซึ่งครูอาจารย์จะสอนให้ใช้สำหรับบริกรรมในการเรียนมายาศาสตร์ทางไทยนอกจากจะช่วยสร้างสมาธิจิตอย่างแท้จริงแล้วยังจะช่วยให้เราระลึกถึงของสูงสุดทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกด้วย ที่เรียกว่าหัวใจพุทธคุณนั้นดูเหมือนจะถือเป็นยอดแห่งหัวใจทั้งหลายในธงชัยเฉลิมพลของกองทัพไทยสมัยโบ ร, ราณก็ลงยันโดยใช้หัวใจพุทธคุณหัวใจพุทธคุณนี้เป็นอักษรเก้าตัวคืออะสังวิสุโลปุสพุพะโดยที่เป็นอักษรเก้าตัวอย่างนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านววารคุณเราจะพบคานววารคุณนี้ในตาราเก่าๆเสมอ อักษรทั้งเก้านี้ก็ย่อมาจากคําสวดสรรเสริญพระพุทธคุณคืออิติปิโสตอนหนึ่งอย่อมาจากอรหังสำย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธวิย่อมาจากวิชาจรณะสัมปันโนสุย่อมาจากสุขโตโลย่อมาจากโลกวิทูปุย่อมาจากบุริสธรรมสารถิสะย่อมาจากสัทธาเทวมนุษย์สา낭พุย่อมาจากพุทโธพระย่อมาจากพระขวา โดยมากครูบาอาจารย์มักจะไม่บอกให้อย่างที่ข้าพเจ้าบอกเพราะถ้ารู้ที่มาหรือรู้คำแปลเสียแล้วก็เกรงว่าจะยิ่งทําให้ใจของเราดีมากขึ้นเช่นในเรื่องหัวใจพระไตรปิฎกนั้นถ้าเราว่าคําเพียง6กถึงเจ็ดคำทำให้เรารู้หรือราลึกถึงพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ก็จะให้กําลังใจเราดีกว่าที่จะสวดหรือภาวนาไปอย่างนกแก้วนกกุนทอง อิติปิโสบทพระพุทธคุณ น, นั้นมีวิธีใช้อย่างมากและครูอาจารย์ทางเวทมนต์ได้นำเอาอักษรแต่ละตัวมาใช้ลงยันโดยเขียนแยกกันให้อยู่ในระหว่างช่องยันเช่นตัวอย่างต่อไปนี้อิติปิโสพักขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโทววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษย์สางพุทโภค ว, วาติ โดยที่อิทิพิโสบทต้นซึ่งเป็นตอนพระพุทธคุณนี้มีห6พยางซึ่งแบ่งออกได้เป็นเจดแถวแถวละ8ดพยางเหมาะสมที่จะทำยันได้ห6ช่องมียันอันหนึ่งซึ่งนับถือกันมากเรียกว่าเกราะเพชรคือเมื่อเขียนตัวอักษรแยกลงไปอย่างนี้แล้วต้องลากเส้นยันให้ได้รูปสำหรับให้ตัวอักษร อ, อยู่ตามช่องแต่ละช่องวิธีลากเส้นยันนั้นถือเคร่งว่าต้องลากให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ยกดินสอเลยเป็นแน่นอนว่าการเขียนยันอย่างนี้ต้องได้รับการฝึกหัดอย่างมากเนื่องจากที่เอาอิติปิโสตอนพระพุทธคุณไปแบ่งแยกยันห้าสิบหกช่องอย่างนี้จึงทําให้เกิดลัดทธิความนับถืออีกอย่างหนึ่งว่าแทนที่จะอ่านจากซ้ายไปขวาคืออ่านตามบรรทัดอย่างหนังสือธรรมดาให้มีวิธีอ่านอีกอย่างหนึ่งคืออ่านจากบนลงมาหาล่างเป็นแถวๆไปอิติปิโสจึงเกิดขึ้นใหม่อีกชนิดหนึ่งกลายเป็นเวทมนต์ดังต่อไปนี้ 1>, 1. อิรชาคตรสาสติหังจะโตโรธินัง 3. ปิสัมระโลปุสัตพุทธ 4. โสมานากริธาโท 5. พระสัมสัมวิสเทพะ 6. ขะพุทธปันธูธรรมวค ะ, ะ 7. วาโทโนะมะมะวา 8. อะอวิสุนุสานุติ เป็นอันว่าได้มนใหม่อีกถึง8ดบทและต่างบทก็มีวิธีใช้ซึ่งครูอาจารย์สอนให้ใช้ต่างๆกันมนต่างๆในตำราพิชัยสงครามตำราพิชัยสงครามของไทยเราให้มนไว้หลายบท มนทุกบทในตำราพิชัยสงครามนั้นอักขระคลาดเคลื่อนเต็มทีคำบาลีบางคำจับไม่ได้ว่าเป็นอะไรแน่อาจจะเป็นเพราะคัดลอกกันต่อมาหลายครั้งหลายหนและเกิดความเคลื่อนคลาดก็ได้แต่ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าผู้ที่ผูกมนนั้นไม่มีความรู้ทางบาลีเพราะนักเวทมนต์โดยมากเป็นผู้ที่ไม่สันทัดจัดเจนในทางภาษารู้บาลีบ้างเป็นคำคำก็จับเอามาผูกผสมกับคำไทย ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ความตั้งใจเป็นสมาธิแน่ๆของผู้ใช้มนต์ประกอบกับความเชื่อถือไม่ใช่ความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะนําเอามนต์ต่างๆมาประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่ก็อยากจะนํามาบางเรื่องเพื่อเป็นทางพินิษพิเคราะห์ของผู้สนใจค้นคว้าทางวิทยาการที่เกี่ยวกับจิตหรือเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตการพินิษฐพิเคราะห์มนเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องมายาการทางไทยเราได้มากมีมนต์บทสั้นๆเช่นหนึ่ง อิทัคคมะอะแห่งตัวกูอุแห่งท่านทั้งหลายมะจะทำร้ายกูไม่ได้นโมพุทธายะนะจังงังสวหะนี่คือมนที่เรียกว่านกจังงังสำหรับป้องกันไม่ให้ศัตรูทำร้ายได้ซึ่งเป็นมนที่จำเป็นมากสำหรับตำราพี่ชัยสงคราม 2. นะอิติปิดมิชิตสวาหะสำหรับเสกเป่าที่บาดแผลซึ่งเกิดจากต้องอาวุธบาดเจ็บหรือเกิดจาก อุปัตวะเหตุอย่างอื่นอย่างใดเป็นมนเรียกเนื้อให้กลับมาติดคำในมนสั้นไม่มีอะไรมีคำไทยอยู่ว่าปิดมิดชิดและคำบาลีสอ ง, งสาคำซึ่งไม่สามารถจะแปลเอาความอย่างไรได้ 3. เยทาโสอุปโปสถะรนะลพติบอกว่าสำหรับเศกน้ำมันทาบาดแผลหรือทาที่ฟกช้ำคำบาลีในบทนี้ไม่ได้ความบา ก, กระไรเลย คำว่าเยทาโสนั้นสงสัยจะเอาคำไทยคือทาปรับปรุงขึ้นเป็นบาลีสีผ้าหุปัญญาผ้าหุเสนาขอปลุกปลุทะลุปัญญาเป็นมนสำหรับช่วยให้มีปัญญาคิดก่อนสึกคำในมนนั้นพอเอาความได้ว่าถ้ามีปัญญามากก็เหมือนมีกำลังผลมากขอให้มีปัญญาปลุโปรง่งคิดทะลุรู้เท่าถึงการทุกอย่างอาจารย์ในสมัยใหม่นี้ ได้ใช้เป็นคาถาให้เสกพริกรับประทานสําหรับให้ปัญญาดีแต่ตัดออกเสียบ้างเปลี่ยนคําเล็กน้อยคือเปลี่ยนเป็นโอมปุ ป, ปุทลุปัญญาหมะคือตัวกูอุคือตัวนายอะจะมาทําร้ายกูมิได้ว่าเป็นมนต์ป้องกันการกระทําร้ายของศัตรูเหมือนกันหมายความว่าเราทําร้ายศัตรูข้างเดียวศัตรูจะทําร้ายเรามิได้มนบทนี้ ก็มาจากอักษรสามตัวซึ่งนับถือกันทั่วทั่วไปคืออุอมะหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ามะ อ, อุอุซึ่งแผลงเป็นโอมในมนคาถาทั่วไป 6. พุทธังมะลังเพชธรรมังมะลังแก้วคือเสมาทั้งส0สกั้นตัวข้าพเจ้าสารพัดศัตรูวินาศสันติเป็นคาถาป้องกันศัตรูเช่นเดียวกันคำว่ามะลังไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ความในคาถาชัดว่า ให้เป็นเมืองกำแพงล้อมรอบป้องกันตัวและให้ศัตรูทั้งหลายพินาศไปควรสังเกตอย่างหนึ่งในเรื่องเวทมนต์ของเราคือถ้าอยู่ใกล้พระพุทธธรรมมักจะไม่ใช้กูแต่ใช้ข้าพเจ้าถ้าอยู่โดดเดี่ยวหรือห่างจากพระพุทธธรรมก็ใช้กูเสมอแม้กับเทวดาอินพรหมก็ยังใช้กูได้เจ็ดนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังคะะพุทธังธรมังสังขังบังพระพุทธัง กลายเป็นพระอระหังกลายลงไปกระชากไฟนรกอเวจีเอาบารมีพระชินสีมาช่วยป้องกันอันตรายณนะละลายโมะละลายสูญหายณนะโมพุทธายะพุทธังกระจายธรรมังกระจายสังขังกระจายอารหังกระจายใช้สําหรับต่อตีศัตรูให้แตกพ่ายกระจายไปและยังบอกวิธีใช้ไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเพียงแต่เศกปูนทานิวไปเขียนคาดเข้าที่คอใคร คนนั้นก็จะถึงแก่ความตายเหมือนอยากถูกฟันด้วยดาบ 2. คเตสิกกรนังอหังปิตังชานามิว่าเป็นคาถาสำหรับสวดก่อนที่จะนอนหลับเพื่อว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นศัตรูจะมาทำร้ายก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นทันทีพวกนักเล่นกุมารทองใช้คาถานี้สำหรับเสกสังกุมารทองในเมื่อก่อนที่ตนเองจะหลับว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ก็ให้ปลุกคาถาบทนี้เห็นจะใช้สําหรับกุมารทองแน่เพราะความในคาถาพอแปลได้ว่าให้ไปเที่ยวคอยดูถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้บอกให้พ่อทราบมีคําว่าพ่ออยู่ข้างในเดิมคงจะเป็นคาถาสําหรับใช้กุมารทองตําราพี่ชัยสงครามไม่พูดถึงเรื่องกุมารทองเลยแต่เอาคาทานี้ประมวลไว้ให้ภาวนาเมื่อก่อนจะหลับเพื่อว่าถ้ามีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นก็จะได้รู้ตัวตื่นขึ้นในทันทีทันใด อาจจะเป็นเพราะว่าในครั้งกระโ น, น้นทหารไทยหรืออย่างน้อยก็แม่ทัพนายกองมีกุมารทองกันอยู่ทั้งนั้นก็เป็นได้ในตอนที่กล่าวมาถึงทิเบตในบทข้างต้นนี้ได้กล่าวถึงพระการหรือพระมหาการซึ่งเป็นเทพพระเจ้าดุร้ายทางอินเดียและพระรามาธิเบตเอามาเลี้ยงไว้สำหรับใช้ในทางร้ายเช่าบ้านทิเบตถือว่าเมื่อเวลาค่าลงพระรามะไม่มีธุระที่จะใช้พระการย่อมจะปล่อยพระการออกเที่ยวเล่น ในระหว่างที่ปล่อยนี้พระการอาจจะท่องเที่ยวไปทําร้ายคนนั้นคนนี้ก็ได้ฉะนั้นตั้งแต่เวลาค่ําชาวบ้านในทิเบตก็ปิดประตูหน้าต่างไม่ยอมให้เด็กออกเล่นนอกบ้านในเวลาค่ําคืนเราเก่งกว่าทิเบตคือเรารู้ว่าวันใดพระการจะท่องเที่ยวไปทางไหนถ้าหากจะต้องระมัดระวังก็เฉพาะในทิศทางที่พระการจะท่องเที่ยวไปเท่านั้นไม่จําเป็นต้องปิดประตูหน้าต่างกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองตำราพิชัยสงครามของเรา บอกทิศทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของพระการไว้ดังต่อไปนี้พระการจอนผอนเปลี่ยนเวียนประจำทิศหนึ่งขั้มเก้าขัเนาทิศบุรพาสองขั้มสิบ้มาสู่อุดรสามขั้มสิบเอดขั้จออาคาเนย์ 4, 12, สี่ 5, 13, ขั้มสิสองขั้เรทักษิณห้าขั้สิบสามขัหอรดีหกขั้มสบสี่ขักผินประจิมมาเจ็ดขั้มสิบห้าคลาสู่พายับแปดขกลับสู่อีสาน ขึ้นแรมวาระนับได้เหมือนกันเชาอีสานเคราะห์ดีกว่าพวกอื่นเพราะพระการมาเยี่ยมเพียงเดือนละสองครั้งคือในวันแดค่ำเท่านั้นเองแต่ประชาชนในทิศอื่นๆถูกพระการเยี่ยมถึงปักละสองครั้งรวมเป็นเดือนละสี่ครั้งตำราพิชัยสงครามให้คำแนะนำในเวลาออกรบดังต่อไปนี้ดูปราณซ้ายขวานาทีลมฝ่ายซ้ายดี จะได้ใชยชำนาสงครามเมื่อออกตั้งใจจงงามไหว้แก้วทั้งสามคุณพระบิดามารดาไหว้คุณนรนาธราชาไหว้คุณเทวาทั้งอุปชาอาจารย์บายพักตามทิพทิฐานคุณแปดประการขอเป็นที่พึ่งแก่ตัวยกกรประนมเหนือหัวปันจางน้อมตัวให้ครบทิพพคาถาเป่าลงสามคาบโดยตรากลั้นใจแกะมาซึ่งเดินเสกใส่เกศี รบให้หนักหนารุมตีเดโชราชสีหนาฏเรืองรนชัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์มีบทบังคับเรื่องเครื่องแต่งพระองค์อาวุธที่ทรงถือและสิ่งที่จะถือเป็นนิมิตสำหรับให้เคลื่อนทัพเพื่อให้ได้ชัยชนะในการสงครามกฎเกณฑ์มีดังต่อไปนี้ถ้าญาติตราทัพในวันอาทิตย์ให้ทรงเครื่องแต่งพระองค์สีแดงทรงธนูเป็นอาวุธให้น้ำประพรมพระเสียร และให้คอยฟังเสียงปีหรือเสียงไก่ขันเป็นเรื่อยามให้พห่นโฮสำหรับออกเดินทางถ้าญาติตราทัพในวันจันทร์ให้ทรงเครื่องแต่งพระองค์สีขาวทรงอาวุธดาบและแขนให้ทําท่าเข้าบรรทมอยู่ก่อนพอได้ยินเสียงดุริยะดนตรีก็ให้พลนโฮและออกเดินทัพได้ถ้าญาตตราในวันอังคารให้แต่งพระองค์ด้วยเครื่องสีชมพูทรงพระแสงดาบพอมีเสียงสุนัขเห่าหอนก็ให้ถือเป็นสุภมิตร ให้พลโหนและออกเดินทัพถ้าญาติตราทับในวันพฤหั ส, สบดีให้กลั้นใจเอานิ้วพระหัสกลางกับนิ้วแม่มือหยิบเท่ากลางเท่าไฟมาเจิมที่พระนาราดให้แต่งเครื่องทรงสีหมอกทรงถือหอกเป็นอาวุธถ้ามีแร้งหรือนกใหญ่บินผ่านมาก็ให้ถือเป็นสุภนิมิตเคลื่อนพลได้ถ้าญาติตราทับในวันศุกร์ให้ทรงเครื่องสีเหลืองทรงพระแสงธนูไม่ปรากฏว่ามีอะไรเป็นสุภนิมิต ถ้าญาตราทัพในวันเสาร์ให้ทรงเครื่องสีดำถืออาวุธอะไรก็ได้แต่ให้ทําท่าเป็นขึ้งโกรธถ้าเห็นกาหรือดุวาบินมาให้ถือเป็นสุพนิมิตรสำหรับออกเดินทัพนอกจากคำบอกเป็นร้อยแก้วดังได้เก็บความมาแล้วข้างต้นยังมีคำโครงไว้ดังต่อไปนี้วันอาทิตย์สีแดงราวิสีสริธิ ด, ด้วยอาภรแดงพิจิตอลงกร่กองแก้ว ทรงแสงธนูสอนลีลาชเสดสู่สงครามแพ้่เผาพ้นไพรีวันจันสีขาวจันทราวรวิพูตพื้นขมพัทก่อนทรงคาดเข็มขัดเพลิพดแพล้วเสดจ อ, อกกำจัดดัตสก่อนราชโดยพิชัยเลิกแล้วเล่าล้างศัตรูวันอังคารสีชมพูพุ่ ม, มาราวรวิเศษด้วยชมพู พระแสงกรูดาบดังเชกองค์มรุตยูยุระญาติัจนอรินต่อตั้งแตกด้วยเดชาวันพุทธสีเขียวพุทธวารสารสวัสดิสร้อยสีนินเขียวคู่องค์อมรินหยาดฟ้าทรงดาบพิฆาตยุทธลินลาลาดดำเนินนิกรลาดกลา้าอวดอ้างชิงชัยวันพระศุสบดีสีเมฆหมอก พระหัตถพิพัฒภาคพื้นภูษาสีหมอกเมฆยาตรารุ่งรา้าวส่งแสงสัทธเดชาชัยเยศคลายคลี่รีพลเต้าต่อต้านรณรงค์วันสุขสีเหลืองสุโกระวะโรริศเรืองอาพรเหลืองเลื่อมลงกากรเลิดแล้วส่งแสงธนุรอนอริราชปราบมูดัดสกรแก้วย่างย้ายโยธา วันเสาสีดำเสาโรรุจิเลขล้วนดำดีทรงสับภาวุตลีลาดเตา้าออกยงยุทภัยรีรณภาพเทพอวยชัยข่ำเช้าช่วยให้สถาพรเสร็จสิ้นสะวะภาคเบื้องโบราณโดยลทัทธิอาจารย์กล่าวไว้สำหรับปิ่นสุธาทานทรงสู้ศึกนาชาวพ่อภูษสาได้เรื่องรู้เจนจำ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในตำราพี่ชัยสงคราม